โดยมุ่งที่จะละเพื่อให้เกิดความสงบตามมาการปฏิบัติแล้วก็ตามที่มุ่งให้ละอารมณ์เหล่านั้นอย่างเช่นที่พูดเมื่อวานาว่าเมื่ออกุศลวิตกเกิดขึ้นก็ไปเอานิมิตอื่นเป็นอารมณ์เช่นกําลังเพียกกาลังกลุ้มใจกําลังโกรธก็เอาจิตมากาหนดที่ลมหายใจคือละจาก ความโกรธมาอยู่ที่ลมหายใจหายใจเขาลึกๆหายจ ย, ยาวๆจนกระทั่งความโกรธมันหายไปความเครียดหายไป น, นี้เรียกว่าสมถะหรือเวลาเกิดการมราคาขึ้นมานะเราก็มองมันพิจารณาโดยใช้หลักอาการสายสองคือกายคตาสติพิจารณาให้เห็นร่างกายว่ามันประกอบไปด้วย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 ลำไส้มา้าแล้วก็น้ำเหลืองอย่างเงี้ยความสวยงามากลายเป็นความไม่สวยงามขึ้นมาก็ทาให้จิตใจนั้นเปลี่ยนแปลงไปคือการมลาาคะมันก็หดถายไปเพราะว่าความไม่สวยงามหรือว่าความหดทูมันเข้ามาแทนที่แล้วความนายมันเข้ามาแทนที่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 พอลาไปบางอย่างมก็หายไปเองเช่นความโกรธเนี่ยเราโกรธในเรื่องที่ผ่านไปแล้วและใจเราไปอยู่ที่อย่างอื่นแทนเช่นไปอยู่ที่ลมหายใจหรือไปอยู่ที่การพิจารณาธรรมะพิจารณาและลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์เรียพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติหรือพิจารณาให้เห็นว่าความโกรธไม่ดีอะไรบ้างแล้วมันก็หายไป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 ฉันไร้ก็ฉันนั้นเวลาเราเราเห็นอารมณ์อยู่ บ, บ่อยๆเห็นอารมณ์อยู่ บ, บ่อยๆมันก็จะจำสภาวะของอารมณ์นั้นได้ไม่ว่าจะเป็นความง่วงความกลัวความเบื่อความฟุ้งซ่านจำได้พอมันเกิดขึ้นสติก็ทำงานทันทีก็รู้ทันทีนะรู้แล้วสติก็ทำหน้าที่เป็นตัวละไปเองสติก็ทาหน้าที่เป็นตัวละไปเองเพราะจาได้นะอย่างเราปฏิบัตินี้เราเราก็ไม่ต้องทำอะไร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 ที่พูดเมื่อวานนี้ว่าวิธีการละกุศลวิตกต่างๆเนี่ยมัคือสมถกรรมฐานนั่นเองเป็นส่วนใหญ่ครูเจ้าก็ตัดในอีกที่นึงว่าการที่เราจะละอาสวะได้มันละได้หลายอย่างละโดยยานทัศนาก็ได้ละด้วยการบริโภคก็ได้เช่นหิวแล้วก็กินข้าวหนาวก็หอมเสื้อผ้าอันนี้ละด้วยการใช้สอยหรือละด้วยการบริโภคละด้วยการบรรเทา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 รักษาใจใ ห, ให้ให้เป็นปกติไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายจะรับอะไรก็ตามหน้าพอใจไม่นาพอใจก็ตามก็รักษาใจให้เป็นปกติาการละอาสวัตธรได้หลายอย่างนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเราจะจะเจริญกรรมฐานเทววิปัสสนาเราก็ต้องจับหลักให้ได้ว่ามันคืออะไรและในทางพุทธศาสนาก็ถือว่า จะละทุกได้อย่างที่สุดต้องวิปัสนาละด้วยวิปัสนาเพราะว่าปัญญาที่เกิดขึ้นคือความรู้ความเข้าใจในไตร ล, ลักษณ์อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้พ้นพ้นทุกนะได้อย่างแท้จริงส่วนสมถะเนี่ยมันช่วยให้เราละอากุศลวิตกละความทุกได้แต่ว่ามันเป็นของชั่วคราวนะเช่นเวลาโกรธพอใจมาปักอยู่ที่ลมหายใจ